ปังทำกันเนะาะการนี้เป็นการฟังทำการฟังทำตามการเป็นเวลาเป็นมงคลเปนสูงสุดมีผู้ฟังมีผู้พูดฟังแล้วไปทำก็พูดเรื่องกายเรื่องใจเรานี่ ทำเกิดขึ้นอยู่ที่กาที่ใจนี่ความผิดความถูกก็เกิดขึ้นกับที่กาที่ใจนี่วางแล้วนำไปปฏิบัติอี่ที่ผิดทำให้เป็นจริงที่ถูกง่ายๆอยู่ใกล้ตัวเรานี่เองไม่ใช่อยู่ ชั่วโมงเดือนหน้าที่อื่นวิ น, นาทีอื่นเดือนอื่ น, นปีอื่นที่ไหนไม่มีอากาลดีกว่าไม่มีการเวลาอยู่ปัจจุบันวิตุเกิดขึ้นกับปัจจุบันในความผิดปัจจุบันในความถูกก็ปัจจุบันนั้นที่เดียวกันนั้น เหมือนกับเปลือกตาเราก็ปิดตาก็บืดแต่ลืนก็เห็นความผิดความถูกง่ายๆอย่างนี้เราต้องลืมตาเองอย่าไปหลับในความผิดก็ตอนไหนคือสติเนี่ยลืมขึ้นมารู้สึกตัวก็จะได้เห็นความผิด ในแย่ความผิดได้ไม่ผิดพู้ความผิดได้ไม่ทุกพู้ความทุกฉันทีชันใดจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราไม่ใช่เรื่องโอดบอลเป็นเรื่องปฏิบัติปฏิบัติคือ เปลี่ยนลอยให้เป็นดีเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกหรือว่าปฏิบัติมีอืรู้วัวไม่รู้หลงเป็นหลงหรือว่าหัามไม่รู้อวิชชาปิดตาไว้ปิดบางใบอวิชชาคือความหลงเป็นหลงนั่นแหละอวิชชา แม่ท่านจะรู้อะไรบ้างไอ้ยังเป็นวิชาคือไม่รู้อยู่นั่นเองอะข่วมไม่รู้เกิดขึ้นก็เป็นวิชาือควมรู้นั่นคือวิชาค่วมไม่รู้เป็นป่าเป็นดงลกขวมรู้คือมันเป็นที่โล่งที่แจ้ง ไม่ลกไม่มืดมันก็แสงสว่างกับความมืดนั่นเองระหว่างความไม่รู้กับความรู้เนี่ยมีทุกโอกาสได้มันมีวัตถุอาการให้เกิดขึ้นมาได้กับชีวิตของคนคนหนึ่งได้มี วัตถุมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเฉียงมีสัมผัสมีอารมณ์เป็นคู่คู่กันหลงตรงนี้ไม่หลงก็ตรงนี้ถ้ามีตาในจะไม่หลงถ้าไม่มีตาในก็จะหลงมันมีอะไรซ้มซ้อนตรงนี้ จะไม่มีตาในช่วยดูเดแต่เนื้อตาในมักจะหลงเป็นหลงก็เลยไม่มีโอกาสผู้ที่จเจริญจิปวิฐานนี่จะได้กระแสรกระแสแห่งพระนิพพานวั จเจริญจิติปฐานแล้วจะเห็นกระแสปนิานพานทันทีไม่ยกเว้นใครไม่เหยอะเพียกับวบกับวายุวั น, นละรทตินิกายได้ผู้จเจริญจิติปฐานยิ่งว่าเหยียบเพ้นทางก็จะเห็นทิศทางไปเลยว่าจะเหยียบดู กระทางถูกทางก็ง่ายๆไม่ขู่ข่าแ้วผิดทางก็ลุกไปเลยเข้าป่าไปเลยจนโน่นจนนี้ไปลุ่มลุกกู่ขันไปเดือกเวีนสุกทุกเป็นทุกไปเราจึงเลือกได้ถ้าเราได้เหยียบทางนหะ แมอแต่คนตาบอดก็ว่าจะได้สัมผัสก็รูยังไม่เท่าหรือปลายเท่าของเขาความปกายรู้จักเมื่อทางหรือไม่ใช่ทางการปฏิบัติทมในก็เหมือนกันว่าแต่สัมผัส ด, ดู สัมผัสกับความหลงเป็นอย่างไรสัมผัสกับความไม่หลงจะเป็นอย่างไรตรงนี้ดูดีๆให้สัมผัส ด, ดูดีๆอย่าเพิ่งรีบร้อนส่วนมากครจะรีบร้อนตรงนี้โดยไม่ค่อยเห็นทางเหยี่บผิดอยู่เรื่อยก็ผิดอยู่เรื่อยผิดให้เป็นผิดอยู่เรื่อย กาเหยียบถูกก็ถูกไปแต่พื้นแต่พื้นไปจะได้กระเสือแห่งพระในพานพุนเจ้าก็เดินทางนี้พาาาระอรหันต์ทั้งหลายก็เดินทางนี้เดินคนเดียวไปถึงที่เดียวกันจะมแไปทางเดียวกัน ไปถึงที่ยังไม่ถึงแล้ไปถึงแล้วก็มันไม่มีอะไรตั้งแต่หลงคือไม่หลงเนี่ยไปไกลไปถึงความไม่มีอะไรที่จะให้หลงในโลกนี้จึงเป็นเรื่องสุดสุดทาง ที่สุดแห่งทุกนั่นแหละไม่ใช่แผ่นดินสุดสุดแผ่นดินอยู่ที่ปฏะทิดแต่นั่นไม่ใช่สุดสุดของทางถึงมากถึงผลเนี่ไม่มีอะไรจะทําอีกแค่ชิ้นแล้วสมมติฉั่จบแล้วกิ่อื่นที่ต้องทําไม่มีอีกแล้ว ไม่มีอะไรที่เป็นอีกแล้วแต่ก่อนสุขเป็นสุขทุกเป็นทุ ก, ทกตัวที่ให้เป็นสุขเป็นทุกมันไม่มีหมดไปตัวไม่มีแต่ก่อนตัวมันใหญ่มีตัวตนใหญ่เหมื่อเกิดสุขทุกข์ก็ถูกต้องสองทางเหมือนกัน อยู่กลางเขาพวายแต่ตัวใหญ่อยู่กลางเขาพวายขวัญมีสองของัแหลมทั้งสองขา้วแต่ตัวใหญ่ก็ถูกสุดก็ถูกแล้วถูกก็ถูกแล้วซายก็ถูกหักวก็ถูกอ่าสุดก็คือหัวซะถุกก็คือซ า, ายซะ สุกทรงสองทางวันตัวใหญ่มีตัวตนทำให้ ต, ตัวเล็กลงเวลาเราปฏิบัติตามห ล, ลักสติปัฏฐานเนี่ยจะเล็กแน่นอนจังแต่เห็นกายเสว่ากายเนี่ยมัใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยร่วมเล็กลงแล้ว เหนที่ไรก็จักแตวลลลลลลกก่ว่าเล็กลงเล็กลงเล็กลงสุขทุกข์หรื่อเวทนาท่าสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุกคนไม่ใช่ตนก็เ ล, ล็กลงเองกิจที่มันคิดไปนั่นก็เล็กลงไม่มีตัวตนต่อจความสุขความทุกข์ความ ค, ค, คิดไม่มีอีก เล็กลงเล็กลงไปทำทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาอย่าลูปจากน้ำก็เป็นจักว่าธรรมไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเหล่าเข า, าความเสื่อมความเจริญความแก่ความเจ็เคเคเบความตายความสุขความทุกข์หมืนน่นะ ผมโกรโล่งหลงเงี้ยได้หรอมันก็เลิกลองไม่มีไม่มีเจตน์ที่เป็นสุขไม่มีตนที่เป็นทุกข์ไม่มีตัวตนที่ให้มีความแก่ความเจ็บความตายเหมืนหมดไปแล้วตัวตนนี่นี่ว่าเข้าเข้าพิมพ์เข้าพิมพ์มเพื่อจะหลอพิมพ์มานี่หลอชีวิตให้เป็นพระ เดี๋ยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งได้ถ้าเข้าพิมพ์นะถ้าไม่เข้าพิมพ์ก็ยังเป็นเดนอยู่เหมือนหลอ่อเสาหลอ่อพระพุทธรูปถ้าบุญไม่เข้าพิมพ์ก็เป็นเดนเป็นเจไป ปูนันใดเข้าไปอยู่ในพิมพ์ก็เป็นรูปของพระรูปของต้นเสาจะเป็นกลมเป็นเหลี่ยมได้กลายเป็นคนตีดแข่งกันได้จึงมาเข้าพิมพ์กันทีทีทปฏิบัติธรรมเป็นการเข้าสู่พิมพ์ให้เป็นพระต้งเข้าเอง เห็นกายจะว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนหล่าเขามีอยู่จริงกายนี่แต่ก่อนอาการเกิดกับกายเป็นจุกเป็นรูปเป็นจิเลสตัณหาเป็นโลกโกรธหลงแย่ๆไปเลยให้กายไปต่อกเป็นพบเป็นภูมิต่างๆมีกายอย่างเดียวไปกายไปถึง ในฉาญศาสนาลกสุลกายเปตไ ป, ไป น, นปู่นพภูปุที่เกิดจากกายพภูปุที่เกิดจากเวทนาที่เป็นจุกเป็นทุกนั่นก็ไปจูอาับบายพวกปุ่นเดียวกันไปทางต่ำพวกปุ่ที่เกิดจากความคิดก็ไปสูอบายไปทางต่ำพวกปุนที่เกิดจากธรรม ทั้งหลายไปยึดว่าตัวว่าตนนั่นก็ไปทางต่ำมันน้ำไหลาจากที่สูงสู่ที่ต่ำาต้องทวนกระเสอเห็นกายสวาวกายนีย่มันทวนไปแล้วขึ้นสูงเห็นกายสวาวกายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตอนเหลเขานี่เป็นมนุษย์ขึ้นมาไปสู ง, สง แต่เห็นกายเป็นตัวเป็นตนเป็นคนโปลนเปกันไปเห็นเวทนาเห็นความคิดเนี่ยไว้เป็นมนุษย์ขึ้นมามาตรงเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นพระได้ได้เป็นมนุษย์ถ้าเป็นคนเป็นพระไม่ได้สุปสุขทุกข์เป็นทุกข์ไม่เป็นพระไม่ได้ พระระาับไ ต, ตถ้าเป็นพระสมมตินี่ก็เป็นได้ตามสมมติบัญญัติออกกดผ่า น, านาการสวดยัจุจกรรมยกขึ้นมาตามสมมติตุนีเอวเอวเมตัทงทะรยาฮัถึงตรงนี้ก็เป็นพระได้แล้ว นั่นเป็นพระสงฆ์สมมุดไม่ใช่สงฆ์พระอริยะพระอรตระตายจะได้มาอยู่ตรงนี้ทุกคนทําได้ทุกคนปฏิบัติได้ทุกคนให้ผลได้ไม่มีใครทําไม่ได้แต่ทำกิจให้ดีๆให้ปานีดให้แยบคลายดีๆ จะได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์จะกความผิดได้ประโยชน์ได้เป็นความถูกโดยความไม่ทุกข์ประกอบทุกข์นีประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีทุกข์มันก็ไม่มีความไม่ทุกข์เห็นความทุกข์กเห็นนำไปสู่ ในหลักอภิสัสชิเห็นความทุกข์ดูแล้วนั่นน่ะเห็นความทุกดูได้แล้วกำหนดดูได้แล้วเห็นนเหตุเกิดทุกข์ละได้แล้วนั่นเห็นนิโรธรวมหรุอพ้นทําให้หรุอพ้นได้แล้วแก้งแล้ว ทำได้มากแล้วจเจริญแล้วเดี๋ยวมรรคนี่แหละเห็นของยังไงประเสริฐคือเห็นอริสัจเห็นเดียร์มรรคเนี่ยนั่นะทำไปแล้วนี่เห็นของประเสริฐเห็นงูมีนยังพ่นจอกงูได้พ่นแล้วจริงๆ แต่ก่อนงูอยู่ใกล้นายแข้งนี่แบบ น, นี้ไม่ไม่อยู่ใกล้แล้วอยู่คนเดวที่ก็ไม่มีทางที่ถูกงูกัดอันชื่อว่างูที่มีพิษเห็นหมดแต่ก่อนเนี่ยเองแต่คิดก็กาดตอดตัวเองเจ็บปวดเจ็บปวดเพราะความคิดน้าตาไหลเพราะความคิด นอนไม่หลับเพราะความคิดกินไม่ได้เพราะความคิดนันแหละคนไม่เห็นงูงูกัดเอาเห็นของจักเป็นโดกบวัวเก็บปวดอยู่ก็ยังเอาหมอยคิดอยู่เอาของจักผุนหัวตัวเองพวกสัตว์นโลกพวกดิรชานพวกสุลกายไม่มีปัญญางู โง่นโอมทุกมีเพื่อนไปบอกอย่าโกรธตัเพื่อนเลยก็บอกว่ามันไม่โกรธมัได้มันว่าเราอย่างนั้นมันว่าเราอย่างนี้เอาความว่าที่มันหายไปนานแล้วการบันคึกขึ้นมาแล้วอย่าเอามาเทิ่มแทงตัวเองอยู่นั่นก็คือมันโง่ ขา ด, ดันก็มีภูมิพร้องเขาเขาเหว่ยวิบากของเขาเพื่อนช่วยก็ไม่ขึ้นมาเหมือนกับพวกสนโลกก็อยู่ในคูดพวกเทวดาก็ขึ้นน้แล้วจะดึงขึ้นมาก็ไม่ขึ้ น, น, นหนอนอยู่ในคูด เชีื่อขึ้นมาก็มุดลงไปอีกไม่ยอมขึ้นเห็นว่าความทุกข์ันเป็นชีวิตของเขาจนทำตามความทุกข์หมดไปเลยชีวิตตั้งชีวิตความดีก็เคยมีแต่ว่ากบเกินไปหมดเลยเหมือนบ้านสร้างมาดีองไฟเผาที่หนึ่งก็ไม่ไปหมดเลย ความทุกข์มเหมือนกันความดีมียะแยะความดีที่มียะแยะหมดไปเลยมันกำหนักประนขรุกรมกำหนักกบตามทันกำบีบขัน้นต้องยอมตามกรรมนั่นหลับใช้กรรมก็ไปเสวย อ, อยู่ในภูมิทั่ํา ไม่เจริญน่ากลัวนะขนหัวลุกเนะเปียนแต่คิดก็เป็นทุกข์เนี่ยขนหัวลุกนะมันไม่มีทัวไม่ต้นอะไรเต่เห็นรูป ก, ก็ทุกข์สุขไปแล้วไอ้คนอื่นงอบผิวชีวิตแล้วไปดีๆมีอยู่ไม่ไป ไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติตรงไม่ปฏิบัตอิอกจากทุกไม่ปฏิบัติเป็นสถาบันเมื่ได้หักตรง น, นี้แต่ไปตัดปาไปโตดโน่นตดนี้ไปต่างถึงบนวาชนาไปเปรียบเทียบดึง เป็นปมด้อยสำคัญว่าเราเร็วกว่าเขาเขาดีกว่าเราเป็นทิฏฐิมานะมาณะทิฏฐิเราเร็วกว่าเขาเขาดีกว่าเราเราสู้เขาไมา่ได้เขาชะนะเรายอมเป็นปมด้อยทำดีได้ยากแต่ทาชั่วได้ง่ายเกินคนอื่น บางชีวิตเป็นอย่างนั้นเป็นจดินิสัยน่ากลัวชีวิตถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัตินะชาติ่างชาตินี้เสียไปเลยต้องมีสิ่งเวลอมีมหลักมีทาที่ต้องทําอยู่ไม่ทําะไยไปทางอื่นไป เหมือนกดี ว, ว่าคนเนี่ยโอนเปกันไปไม่ค่อยเรียบร้อยหลงเป็นหลงเนี่ยอยู่เช่นนั้นไม่ได้บทเรียนจากตรนี้เราจึงมาตั้งต้นตรงนี้ดีๆตั้งต้นให้ดีๆอย่าประมาท ได้ประโยชน์อจะเป็นการชะให้เร็วไวเพิ่มขึ้นได้เห็นเช่นเห็นทางก้าวไปข้ามไปข้ามไปข้ามไปบ้านนานันคนเดินทางเหมือนมาามีผีเท่าดีก็ยอมเจมากมที่ไม่มีผีเท่าดี ประมาตโตประมาตเตชูเนี่ยเตสูเป้าชาคาโลอ布拉จังวัชิกัสโซยอติโุเมทัสูซเนี่ยก็ไม่ประมาทไม่ประมาทนี่เมื่อเพื่นประมาทเขาหลงแล้ไม่หลงเนี่ยแหละตือนอยู่ในเมื่อเพื่นหลับเขาหลับเขาเมื่อเขาบอดอยู่เขาทุกอยู่แล้วตือนแล้ว ยอมละควาโง่ไปกายนั่นเขาโง่เหมือนม่ามีผีเท่าดีละม่าที่ไม่มีกำลังฉันนั่นมันต่างกันตรงนี้ต่างกั น, ก น, ก น, ก น, กนที่กรรมการกระทาเนี่ยแล้วกลับจะได้ไม่ทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้มีสิทธิ นะเราก็ชีวิตหนึ่งยิ่งพวกเราก็อยู่ด้วยกันก็น่าจะ เ, เป็นชีวิตล้อมที่ดีในเพื่อนดีมิตร ด, ดีสหายดีผู้แวดล้อมดีก็น่าจะมีประโยชน์มีกำลังใจนอกจากมิตร ด, ดีเพื่อนดีสหายดีแล้วมีงีวดล้อมดี มีวัดป่าชุกโตมีสถานที่จลานหน้าเป็นเขตฆามาวาสีเขตบานกล้าสะพานมาเป็นเขตอันแล้ววาสีเป็นเขตป่าใกล้ๆเค่นี้สามารถใช้ได้แล้วก็มาใช้แล้วมาถึงแล้วมีในโลกในประเทศไทย ถ้ามีวิธีปฏิบัติมีคำสอนไม่มีใครหลอกหวังกันมีผู้บอกมีผู้สอนมีคนเป็นมิตรเป็นเพื่อนมีสิทธิจะอยู่ที่นี่ได้มีบ้านให้อยู่มเข้าวใจกินมีตรงอาหารอย่างดีตรงหาร หองฐานวัดป่าสุล โ, โตนี้ไม่มีที่ใดเปรียบเทียบได้สอาดเรื่องใช้ไม่สอยมีตเตชเตนเลดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเราทำได้เพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภยัยแก่ผู้มาใชา้เดินเข้ามาก็มีหมอตาย สะดวกในการใช้ไม่กาแดดกงผลไม่ลำบากหงำของชวมีมสวนป่าสวนป่าเลลยกะกัสวนตายังเป็นระเบียบเหมอนบอกเล่าอยู่ไม่คิดอะไร คุณพี่คุณแม่คิดอะไรนะ้องอยู่นิ่งๆเหมือนฉันนี่ไปลำบากอะไรลยนกระ บ, บาบอกไปกอดตนง่ายโดจักต้นไม่อมลอนทำหมินโกงมีจิงวดล้อมเสมาทำไมาจากักเป็นสวนดอกไม้ มีพระไตรปิดกเล่มใหญ่ที่สุดในโลกมีพระพุทธลกูกตองสมฤตสร้างมาให้ชีวิตรอมดีมีอนุสาวรีย์หลักสัพติบัตรตามหลักฐิติปฐานสูตรจิบสีชา แต่ถ้าทุกวินาทีสามารถนำไปปฏิบัติได้ยกมือเคลื่อนไหวครั้งละวินาทีรู้ทุกวินาทีเป็นอนุสาวรีให้เห็นว่าใช่เมื่อดบอดว่าใช่ชุมหาเอาอย่างอนุสาวรีนั่นะรูนะ้สึกตัวเนี่ย มีทางเดิน409เป็นรงกลมรอบร้านธรรมนั่นสามารถใช้ประโยชน์เพิ่ตตนสอนตนได้ไม่ลำบากมีทางเดินยังคง180เซ้นจะ น, น้งถิงถ่นทำขวายขึ้นมา้านธรรมมีเป็นพระตระกัตไย เดินท่านพ่ปายก็เห็นหลวงพ่อเทียนวิธีสนมีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดนั่นนะสรุปอรกมาแล้วเชือกขาดตรงนี้ขาดแล้วไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์ความคิดขาดไปแล้ว สุขมาเป็นสุขทุกมาเป็นทุกขาดเป็นแล้วใช้เป็นสุขเป็นทุกข์มันเป็นไม่ไปได้มันต้องรู้เดินเข้ามาองก็เห็นด่านหินโค้งเห็นเปรมาธรรมจักรเป็นพระธรรมเป็นพุทธเจ้าเห็นพระไตรปิฎกเป็นคําสอนเป็นพระเจ้าเทือกภารตะไตยสมบูรณ์อยู่ที่นอนไปอยู่ที่ไนคิดเห็นที่นี่ก็อุญใจ นี่จริงเวรองก็ดีเพื่อนก็ดีถึงข่าวที่แกก็พ้นจากขอแก่ได้ถึงข่าวที่เจ็บก็พ้นจากความเจ็บถึงขา่า ว, า, งขาวที่ต้องตายก็พ้นจากความตายถึงข่าวที่เศร้าโศกก็พ้นจากความเศร้าโศกได้มิตร ด, ดีเพื่อ น, นดีใจดีผู้เวดล้องนีจริงเวดล้องดีมิเกด ตัาจิกามิเขตพระอยู่ยังเป็นระเบียบไม่เปียวเดียวดายเดินไปมาหาสู่กันได้ถ้าหนาวก็มีผ้าห่มไม่เถิดไม่ทิ้งกันอยู่มันร้อยสองรอยปีันพวกเราน่ะเดือดร้อนอะไราย ลานนี้รดีอย่างนี้ก็ไม่อยากตายหลองตาก็ไม่อยากทันไม่ทันอยากตายอยากจะอยู่เป็นเพื่อนอยากจะอยู่ดูเลยจะถ้าเพื่อนไม่ดีนะั่นก็อยากจะตายลําบากจะมีเพื่อนดีอยากชมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีผู้แปร่้องก็ดีบางดีเราก็เห็นภาพ เดินจงกมเป็นภาพทาความดีไม่ใช่เราไปหายากกันรลในตัวเราก็มีคนหนึ่งก็ทำอยู่เหมือนกันเนี่ยเดินจงกมคนก็เดินเป็นเพื่อนอยู่เนี่ยยังมีคนหนุ่มคนแก่มีพระมีสง์มีแม่ชีมีวาสุกบาจิกา ก็หรือว่าพร้อมแล้วที่เราจะมาใช้ปฏิบัติไม่ใช่ขนผ่านมาใช่เอาเปรียบกันมีอะไรก็แบ่งกันอยู่กันกินอย่างนี้แล้วก็มีทรรมด้วยยิ่งอุ่นใจปฏิบัติตามธรร ม, ธรรมนำพา มีสติสติก็จะพาไปสามารถใช้ได้ในความหลงทุกประเภททุกกรณีมีสติทุกๆ ก, กรณีในโลกนี้แม้จะมีความแก่ความเจ็บความตายก็มีสติอยู่ ไม่ได้แก่ผความแก่ไม่ได้เก็บผความเก็บไม่ได้ตายผูความตายจริงๆรินี่ทำเนี่ยทำนําพาผู้มีธรรมทายกศาผู้พืชธรรมอยู่เป็นนิดทำยลศาผู้พืชธรรมไม่ตกไปในที่ขั่วเป็นอย่างนี้จริงๆทุกไม่ได้ ศีลมาช่วยทุกไปได้สมาธิมาช่วยทุกไปได้ปัญญามาช่วยมรรคผลนิพพานมาช่วยมักก็ทาง เ, าเครื่องอะไรเครื่องบอกทางติดรถดยนต์ของฌอนจงศีลรถฌอนจงศีลมีเครื่องติดรถบอกทางไปทางไหนกดปั๊บ มันจะบอกเป็นทางไปเห็นรถเราวิ่งไปตามทางถ้าเลี้ยวตรงไหนมันได้บอกแยก้างหน้าให้เลี้ยวซ้ายมันมีเขียงด้วยจะเลี้ยวขวาไปมันก็บอกผิดแล้วผิดแล้วกลับไปใหม่ขนาดนี้นะทุกวันเนี่ยเมื่อก็้อย่างนั้นปฏิบัติธรรม ให้ผ well, okay. ิดเป็นถูกเป็นไปเม่ได้จะให้ทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เป็นไปเม่ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เหมือนกับว่าอย่างนั้นนะผู้มีสติคมขืนไม่ได้ผมขืนตัวเองไม่ได้ให้ทุกข์เป็นทุกข์ไม่ได้ให้โกรธเป็นโกรธไม่ได้ผู้มีสติน่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขนหัวลูกเลยไปคมขืนอึก มันไม่ไหวจริงๆอย่างนี้นะทาจึิงระหว่ารักษาผู้พืชตํำอยู่เป็นนิจอย่าจนกันดังนี้พวกเราส่วนเด็กส่วนหนุ่มแกรเก่าทเท่าก็ทําได้การเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ใช่หนุ่งไม่ใช่แฉไม่ใช่นักบวชไม่ใช่ครวาส เปลี่ยนได้ทุกคนเนี่ยยาสาขนแห่งธรรมเนี่ยเนี่ยก็มีผู้บอกอย่างนี้ไม่หลอกหวงจริงๆความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงผู้จนตายผู้มาแล้วนานแล้วความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงเนี่ยก็บอกอย่างนี้ ให้ฟังกัได้บ้างแม้แต่ทํำยังไม่ได้ก็พยายามอย่ า, ามหมดกําลังใจมองกระเจ า, า, เาไหวเวลาใดที่มันทุกกว่าก็าาไม่ทุกกว่ามีอยู่มองอย่างนี้ก็ยังขึ้ น, น, น, นกลางกลับได้ขึ้นฟังได้แล้วทุกข์เป็นทุกข์ก็ลอยคอ ไม่มีฝังไม่มีท่าเทียบท่าไม่เป็นชีวิตต้องเทียบท่าเกตมนุษทุกเนี่ยมีท่าก้าวขึ้นไปก้าวแตงกับขึ้นเป็นไม่ทุกข์ก็ได้ขึ้นเปล่ไปแล้วผู้ถีงถึงฟังพระนปาลเนีน่มีน้อยนักผู้ถีงต้องเที่ยวอยู่วิ่งโลด อ, อยู่นี่มีมาก มาขึ้นฟังกันเถอะเห็นลาวมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผนะู้หลงเน่ยชี้ขึ้นฟังเห็นลาวมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากความทุกข์ขึ้นฟังไปแล้วคิดถึูพรนิพานไปแล้วหลุดพ้นไปแล้วได้เย็นไหมเนี่ยฮะห้องสมควรเจอละ